เรื่องวันโอ้ยเบื่อๆๆไม่อยากชั่วโมงโอ้ยไม่เอาด้วยหรอกเอาแปลกดีหรอกขอตัด แกนิดอํานน์ฟาดหัวจนอยากให้โชคชะตาเอากระบวย สาบานฉันแค่อยากรู้ให้มากที่สุดก่อนจะไม่ได้รู้อะไรอีกไม่ใช่เอาไว้เผื่อสําหรับการเปลี่ยนใจฉัน แม้ว่าฉันกําลังขํานะ 2 เออ เขาที่คิดออกว่าอย่าทำคือค้นหาคำว่าค่าๆเค้าก็ มากันว่าคนเราถ้าหดหู่เศร้าซึมเคร่งเครียดอืมเข้าไข่ ก็จะอยากตายมากกว่าคนมีการศึกษาต่ำจะอยากจบตรีมากเดี๋ยวนี้สมัครงานที่ไหนคนมีการศึกษาต่ำ 3 ตำรวจจะได้ไม่สงสัยเรื่องเงินฉันคงไม่มีปัญหาไป สายเหที่ปีเสียดายน่าจะปิดให้มิดกว่านี้ ตายนี้มันไปอี๋อ๋อกับคู่หูชั่วชื่อที่ วันละแสนเจ็ดปีละเกือบร้อยล้านโอ้โหเกิดมาไม่เคยรู้เลยนะเนี่ยมอง ที่ 4 คนตายไม่ได้พูดคนตายไม่ได้พูดเป็นไงประสบการณ์ของคน อนาคตจริงๆคบ 20 ปีมีแต่เพื่อนรู้หน้านี่เคยรู้ใจเมื่อสน ฉันอ่านไปเรื่อยเพื่อพบว่าถ้าไม่ตายจริงก็ไม่ ทำไมคนเราถึงอยากมีเออแต่ฉันว่าฉันไม่ ความจริงจึงปรากฏขึ้นเท่านั้นสิ่งที่มีให้ ทำไมต้องจะตายชาติ วันที่ 6 ฉันตื่นเช้าขึ้นมาด้วยความรู้สึกฟุ้งๆ ไม่มีความกลัวตายไม่ทุกอย่างเป็นมายาอาการลังเลนึกอยากเปลี่ยนใจแต่อยากออก ฉันแค่ไปเร็วหน่อยคงไม่มีใครว่าอะไร ถือเป็นปัญหาสังคมที่ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบแก้ไขฉันหูรอเยาะหยันข่าวพักนั้นทำไมต้องหาใครมารับผิดชอบแก้ไขวะปัญหาฆ่าตัวตายคือปัญหาของคนตายไม่ใช่ปัญหาของคนเป็นซะหน่อยไปเเหนี่ยวรั้งคนอยากตายอยู่ต่อทำไมแม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นฮีโร่งั้นเหรอแล้วชีวิตที่ถูกยืดให้จมปลักกับความทุกข์ทรมานต่อไปล่ะฮีโร่หน้าไหนมันมารับผิดชอบด้วยฉันชี้เอียดเขียนต่อละมันเหนื่อยหน่ายไม่รู้จะพร่ำอเพ้อให้ยืดยาวไปทำไมไม่ได้เรียกร้องความเห็นใจ ไม่ได้เขียนไว้เป็นอนุสรณ์ใดๆทั้งนั้นยังคิดไม่ออกได้ ขอจบๆเหมือนชีวิตสั้นๆของฉันแค่นี้นะวันสุดท้ายกลับมาเขียน ก็จะประมาณอารมณ์ๆราบรวยทําให้รู้สึกชัดเจนเป็นพิเศษว่ามันจะไม่ ก็ต้องกล้าสละละลาภลอยแจกแจกและแจกฉันคิดถึงการ ตอนแรกที่เริ่มขยับแขนขยับขาเพื่อทํางานก็ เกิดมาถึงเคยถวายสังฆทานก็ครั้งนี้แหละมันแปลก เดินหยอดเงินมาจนถึงตู้บริจาคใบสุดท้ายมีตั้งหนังสือ ก็คนเขียนไม่มีเรื่องให้อยากตายนี่หว่า 1 ท่านได้ 2 แค่หัด 3 ใจไม่ 4 รู้ 5 เหตุแห่ง 6 ยังมืดใช่ทางออกทางออกต้องสว่างเจ็บอยากตาย 2 ฉันอ่านหนังสือจบแล้วมานั่งเขียนไดอารี่ โดยไม่มีตอนไม่อยากกับอะไรอะไรหมดแล้วว่าพร้อมจะรู้อารมณ์เดียวเป็นที่สุดของกูมาเป็นตัวเชื่อม ถ้าความคิดเปลี่ยนแปลงไปทั้งยวงการเกิดใหม่ก็เริ่มต้นฉันคิดใหม่เรื่องงานคิดใหม่เรื่องแฟนคิดใหม่เรื่องของความมีค่าของตัวเองลงท้ายคือคิดใหม่เรื่องวิธีตายดวงการเกิดใหม่ก็ ไม่มันก็แปลไปเป็นอื่นอยู่แล้วฆ่าทิ้งมันก็แปรไปเป็นอื่นอยู่แล้วคือความเข้าใจผิดคิดว่าแต่ละ จะเป็นไปเธอได้เจอกันแล้ว ใจไม่